ตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS ค่ะที่นี่เวอร์ไวเว็บไทย PBS radio com วันนี้เชิญฟังตอนที่สองนะคะของเรื่องชีวประวัติของโยคีจากหนังสืออาตาชีวประวัติของโยคีเขียนโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะกูรูทางด้านจิตวิญญาณของอินเดีย ที่โด่งดังมากในสหรัฐอเมริกานะคะท่านละสังขารไปเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วแล้วก็ทิ้งประสบการณ์การสแสวงหาการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณเอาไว้เป็นมรดกให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้น่าสนใจนะคะรายการห้องสมุดหลังไม่ได้รับหนังสือเล่มนี้จากอาจารย์ประมวลเพ่งจันค่ะท่านก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้นี่ขายดีมากนะคะ แล้วก็เป็นที่นิยมมากเป็นหนังสือที่ได้รับการายกย่องให้เป็น1ในคือเป็น1ใน100นะคะแล้วก็1ใน20ของหนังสือทางด้านจิตวิญญาณที่ดีที่สุดแห่งศตวตรรษเลยทีเดียวคือถ้าโดยทำเนียบนักเขียนและนักปราด์ ของ Harper Collins ปี1999เนี่ยจัดอันดับหนังสือเล่มนี้ให้เป็น1ในหนังสือทางจิตวิญญาณ100อเล่มที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษค่ะแล้วก็ในหนังสือ50 f t y Spiritual Classics นะคะก็เขียนชมหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ให้ทั้งความสว่างทางปัญญาและความเพลิดเพลินในการอ่านมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดิฉันเองก็ไม่เคยอ่านอัตชีวประวัติของโยคีคือไม่เคยได้ทราบว่าชีวิตของโยคีเนี่ยน่าสนใจยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโยคีซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของฝรั่งมังค่าก็เลยยิ่งน่าสนใจค่ะท่านเป็นโยคีที่ดังมากนะคะในต่างประเทศแล้วก็ในอินเดียด้วยท่านเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ เล่าเรื่องเส้นทางชีวิตของท่านตั้งแต่เด็กไล่เรียงมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นตอนที่สองก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่ของท่านค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านนั้นเข้ามาสนใจการปฏิบัติตามแบบโยคีเพราะอะไรซิงกิล่าปรากฏว่า คุณพ่อของท่านเนี่ยเคยเป็นคนที่เฮี้ยบมากๆแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกน้องคนหนึ่งลาเพื่อที่จะไปพบกับโยคีท่านหนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของท่านก็ได้รับประสบการณ์ตรงนะคะที่ทําให้เกิดความศรัทธาคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แทรกอยู่เป็นประยะระยะนะคะซึ่งอาจารย์ประมวลเพงจันทร์ก็บอกว่าสําหรับคนไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือที่เป็นประวัติชีวิตของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทั้งหลายนะคะก็จะมีเรื่องในแนวนี้เนี่ยแทรกอยู่เป็นประยะระยะเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนไทยก็น่าที่จะอ่านหรือว่าน่าที่จะฟังกันได้อย่างเข้าใจไม่รู้สึกแปลกแต่ขณะเดียวกันก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่ไม่น้อยนะคะกับการเรียนรู้ชีวิตของโยคีซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูค่ะ ถ้าคุณ้ฟังพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันต่อเลยกับตอนที่สองตอนที่ท่านคุรุลาหิริมหัสยาได้พูดกับคุณพ่อของท่านโยคานันทะเมื่อตอนพบกันครั้งแรกท่านกล่าวว่าอะไรฟังกันเลยค่ะ ท่านครุอลาฮิริมหัศยะกล่าวกับคุณพ่อของท่านโยคานันทาว่าพ่อขภ า, าตีเจ้าเข็มงวดกับลูกน้องมากเกินไปเราดีใจที่เจ้าอนุญาตให้อภินาตมาหาเราและเจ้ากับภรรยาก็มากับเขาด้วยจากนั้นท่านก็รับคุณพ่อคุณแม่ ของท่านโยคานันทาเป็นสิทธิ์และก็ชี้แนวทางการปฏิบัติธรรมด้วยกริยาโยคะให้สำหรับโยคะวิธีที่ท่านมหัศยะเป็นผู้นำมาเผยแพร่เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติสำรวมกายมีให้รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส <c oughs> เพื่อให้มนุษย์บรรลุ ถ, ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกแห่งจักรวาลยิ่งขึ้นตามลาดับนะคะ ท่านลาฮิริมหัศยาละสังขารจากโลกนี้ไปหลังจากที่ท่านโยคานันทะเกิดได้ไม่นานนักในครอบครัวของท่านโยคานันทะยังมีภาพของท่านมหัศยะใส่กรอบแล้วก็ตั้งเอาไว้บนหิ้งบูชาและเมื่อไร่ก็ตามที่พ่อของท่านต้องโยกย้ายไปตามคำสั่งของทางบริษัทคือต้องย้ายบ้าน ก็จะต้องอัญเชิญภาพถ่ายของท่านมหาสยะติดตามไปด้วยเสมอข้าพเจ้ากับแม่มักจะนำดอกไม้จุ่มกระจะจันเข้าไปถวายและนั่งสมาธิอยู่เบื้องหน้าหิ้งบูชาอยู่บ่อยครั้งทั้งเช้าและเย็นเราสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าผู้สำแดงองค์ผ่านร่างของท่านลาฮิริมหาสยะ ด้วยกัมยานเครื่องหอมและศรัทธาอันมั่นคงไม่คลอนคลายแม<ย>้ <ğin> ว่าท่านมหัสยะจะจากไปก่อนที่ท่านยโยคานันทาจะเกิดแต่ท่านก็บอกว่าภาพถ่ายของท่านมหัสยะนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของ ของท่านโยคานันทะอย่างใหญ่หลวงยิ่งโตขึ้นความคิดนึกของท่านโยคานันทะก็ยิ่งเกาะเกี่ยวผูกพันกับท่านมหัสยะมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็มักจะเห็นรูปของท่านมหาสยะลอยออกจากกรอบอันเล็กๆนั้นแล้วขยายใหญ่กลายเป็นร่างอันสมบูรณ์ไปด้วยเลือดเนื้อนั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านโยคานันทะและเมื่อท่านโยคานันทะ เอื้อมมือหมายจากสัมผัสเท้าของรากอันเรืองรองร่างนั้นก็จะแปลเปลี่ยนกลับกลายไปเป็นเพียงรูปภาพเหมือนเดิมพอโตขึ้นมาอีกหน่อยภาพของท่านมหัศยะในใจของท่านโยคานันทะก็เปลี่ยนจากภาพถ่ายเล็กๆในกรอบรูปมาเป็นบุคคลที่มีชีวิตและเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตให้กับท่านโยคานันทะในยามที่ท้อ หรือว่าสับสนซึ่งท่านก็มักจะสวดมนต์ภาวนาถึงท่านมหัสยะแล้วทางออกก็จะสว่างวาบขึ้นในใจของท่านเองแม้ว่าท่านโยคานันทะในวัยยาวจะรู้สึกเสียใจ ที่ไม่มีโอกาสได้พบกับท่านมหาสยะแต่ต่อมาท่านก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วท่านมหาสยะยังคงดำรงอยู่อย่างเร้นลับในทุกสถานที่และทุกเวลาคือตายไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงอยู่สามารถสัมผัสได้ตอนอายุได้ราวแปดขวบท่านลาฮิริมหาสยะ ได้แผ่บารมีผ่านภาพถ่ายของท่านมาปกปากรักษาให้ข้าพเจ้าหายจากความเจ็บไข้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ประสบการณ์ครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้ายิ่งเคารพท่านมากขึ้นเป็นปร้อยเท่าทวีคูณตอนนั้นพวกเราพักอยู่ที่บ้านของเราเองที่เมืองอิชาปุระแคว้นเบงกอข้าพเจ้าป่วยเป็นอหิวาตกรโรคอาการหนักถึงขั้นหมดหวังหมอคนไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้ แม่ผู้เฝ้าอยู่ข้างเตียงมือไม้สั่งงนงันงถามท่าให้ข้าพเจ้ามองไปยังภาพถ่ายของท่านลาหิริมหัศยะที่แขวนอยู่บนผนังฝั่งหัวนอนของข้าพเจ้าน้อมจิตคารวะท่านในใจสิลูกแสดงให้ท่านเห็นว่าลูกศรัทธาในตัวท่านอย่างแท้จริง นึกภาพว่าลูกกำลังคุกข่าอยู่ต่อหน้าท่านแล้วลูกจะรอดข้ mm hmm. าพเจ้าเพ่งมองไปที่ภาพถ่ายนั้น mm hmm. แล้วก็เห็นแสงอันเจิดจ้าแผ่ออกมาห่อหุ้มร่างของตนเองกับห้องทั้งห้องเอาไว้อาการคลื่นเหี่ยนและความไม่สบายกายหายไปหมดสิน้นข้าพเจ้ากลับมาสบายดีทุกอย่างและรู้สึกมีกำลังวังชา ถึงขนาดโน้มกายลงแตะเท้าแม่ได้ด้วยสำนึกบุญคุณในศรัทธาปสาทะที่ท่านมีต่ออาจารย์ของท่านอย่างหาที่สุดมิได้โอ้ท่านอาจารย์ผู้สถิตยอยู่ในทุกที่ลูกกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาแผ่แสงทิพมารักษาบุตรชายของลูกนี่คือประสบการณ์ที่ท่านโยคานันทะได้ประสบกับตัวเอง เมื่อตอนที่ท่านป่วยหนักนะคะเป็นอหฮิวาตกโรคสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งของท่านโยคานันทะก็คือภาพถ่ายที่ท่านลาฮิริมอบให้กับพ่อของท่านกับมื อ, อ, อในภาพจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ แม้แต่ความเป็นมาของภาพก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เช่นกันปกติแล้วท่านมหัศยะจะไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปแต่ถึงว่าท่านจะไม่อนุญาตก็ยังคงมีคนดื้อดึงไปถ่ายภาพท่านกับสานุสิตกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณกาลีกูมานอรอยรวมอยู่ด้วยเข้าจนได้แต่ปรากฏว่าคนถ่ายนี่ก็ตกตะลึงเมื่อพบว่าภาพที่อัดออกมา มีรูปสารุสิทธิ์ครบทุกคนแต่ตรงกึ่งกลางที่น่าจะมีภาพของ today, ท่านครูกลับว่างเปล่าคือถ่ายติดหมดทุกคนยกเว้นท่านครูเหตุอัศจรรย์ครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยโจษจันกันไปทั่วละค่ะทีนี้ก็มีช่างภาพคนหนึ่งเป็นช่างภาพมือดี พอรู้ข่าวก็คุยโวว่าท่านมหัศยะไม่มีวันจะหนีพ้นฝีมือการถ่ายภาพของเขาไปได้แน่เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ท่านครุนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนต่างไม้โดยมีฉากกั้นอยู่ทางด้านหลังช่างภาพคนดังกล่าวก็หอบกล้องมาแล้วก็ถ่ายภาพท่านครุเอาไว้ถึง12ภาพกะว่ายังไงยังไงเนี่ยต้องติดแน่นอนนะคะแต่สุดท้าย เมื่อล้างอัดออกมาแล้วก็มีแค่ภาพต่างไม้กับฉากกัน้นโดยไม่มีภาพท่านมหัสยะติดอยู่เลยแม้แต่ภาพเดียวช่างภาพมือดีถึงกับน้ำตาตกซมซามากราบเท้าท่านและก็ต้องอดทนรออยู่หลายชั่วโมงกว่าที่ท่านจะยอมเอ่ยปากไขความอันเต็มไปด้วยความหมายท่านบอกอย่างนี้ค่ะ เราคือดวงวิญญาณกล้องของเจ้าจักจับภาพอนูแห่งพระเป็นเจ้าอันบุคคลไม่อาจจะมองเห็นด้วยตาเนื้อได้กระนั้นหรือ<ม>เออกระผมเห็นแล้วว่าทำไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ผู้วิเศษขอรับกระผมปรารถนาจะได้ภาพของร่างของท่านจริงๆเมื่อก่อนกระผมมีตาแต่ไร้แววจนวันนี้จึงได้รู้แน่แก่ใจว่าพระเป็นเจ้าสถิตยอยู่ในตัวท่านโดยสมบูรณ์แล้ว ถ้านเนนั้นจงกลับมาที่นี่พรุ่งนี้เช้าเราจะอนุญาตให้เจ้าถ่ายภาพได้ช่างภาพคนดังกล่าวก็กลับมาอีกครั้งค่ะครั้งนี้มีภาพร่างอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏชัดและหลังจากนั้นท่านครุก็ไม่เคยให้ใครถ่ายภาพอีกเลย ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีภาพของท่านคุรุตีพิมพ์ลงด้วยนะคะมีมีตีพิมพ์ค่ะใครสนใจเนี่ยก็สามารถเปิดเปิดชมในหนังสือนี้ได้ซึ่งท่านโยคานันทาก็เขียนอธิบายว่าท่านคุรุมหัสยะท่านมีรูปลักษณะดีดูเข้ากันได้กับทุกเชืชาติเพราะฉะนั้นดูยาก ในการที่จะชี้ชัดตัดสินลงไปว่าท่านเป็นเผ่าพันธุ์ใดกันแน่หลังจากที่ท่านโยคานันทะในวัยเด็กหายป่วยด้วยอำนาจของภาพถ่ายของท่านคุรุมหัศยะแล้วไม่นาน ท่านก็ได้นิมิตซึ่งส่งผลต่อจิตบิญญาณของท่านเองโดยตรงช้าวันนั้นท่านนั่งสมาธิอยู่บนเตียงจิตสงบจนเข้าสู่ห้วงพวังอันลึกล้ำเหมือนความฝันท่านใดนั่นเองก็มีแสงอันเรืองโรดสว่างวาบขึ้น มีภาพกายทิพย์ของเหล่าโยคยีที่นั่งเข้าฌานอยู่ตามถ้ำกลางขุนเขาปรากฏให้เห็นเหมือนย่อส่วนภาพยนต์มาฉายลงบนจอกึ่งกลางหน้าผาของท่านพวกท่านเป็นใครกันพวกเราคือโยคยีแห่งแดนฮิมาลัยท่านโยคานันทะได้ฟังเช่นนั้นก็ใจเต้นปะวะัวแล้วก็ตอบกลับไปว่ากระผมอยากจะไปยังฮิมาลัย และบวชเป็นโยคีดังเช่นพวกท่านบ้างภาพนิมิตเลือนหายไปแต่ลำแสงสีเงินยวงนั้นกลับแผ่รัศมีออกไปไม่มีที่สิ้นสุดแสงอันโอภาษนี้คือสิ่งใดกันหนอเราคืออิสวนเราคือแสงเสียงทิพนั้นดังแผ่วดุดเสียงกระซิบจากหมู่เมฆ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ทำให้ท่านมีปิติสุขอย่างมากท่านโยคานันทะก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกสแสวงหาพระเป็นเจ้าความทรงจำนี้ยังติดตรึงอยู่ในใจของท่านตราบนานเท่านานก็เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆค่ะ ยังมีเรื่องในวัยเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าจาได้แม่นแล้วก็ยังทิ้งรอยแผลเป็นติดตัวท่านมาจนตราบเท่าปัจจุบันออขอภัยตราบเท่าตอนที่ท่านเล่าเรื่องเนี่ยนะคะคือปัจจุบันของท่านในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งท่านนั่งอยู่กับพี่สาวที่ชื่ออูมาใต้ต้นสะเดาพี่สาวก็กำลังสอนวิชาภาษาเบงกาลีขั้นพื้นฐานให้กับท่าน เป็นเวลาที่ท่านโยคานันทะละสายตาที่มองนกนกแก้วจิกกินลูกเสดาวสุกอย่างเพลิดเพลิ น, พ, นพี่สาวของท่านก็บ่นเรื่องฝีบนขาแล้วก็คว้ากระปุกขี้พึ่งยาออกมาท่านโยคานันทะก็ควักเอาขี้พึ่งนั้นมาทาที่ท้องแขนของตัวเองบ้างนิดนึงพี่สาวก็บอกว่าเธอจะทายาไปทำไมแขนไม่เห็นจะเป็นอะไรสักหน่อย ผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้ผมจะเป็นฝีก็เลยเอาขี้พึ่งของพี่มาลองทายาตรงนี้ตรงที่ฝีจะขึ้นนี่ไงเด็กขี้ปดอย่ามาว่าผมปดนะรอดูพรุ่งนี้เช้าก่อนเถอนหน้าแต่พี่สาวของท่านก็ไม่สนใจแล้วก็ว่าท่านซ้ำๆถึงสามครั้งสามคราท่านอยู่คานันทักก็ตอบกลับไปช้าๆด้วยน้ำเสียงอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงว่า ด้วยอำนาจแห่งเจ็ดจานงในตัวผมผมขอประกาศว่าพรุ่งนี้จะมีฝีหัวโตขึ้นบนท้องแขนของผมตรงจุดนี้แล้วฝีของพี่ก็จะโตกว่าเดิมอีกเท่าตัวชาวหั่นรุ่งึ้นค่ะก็มีฝีหัวเคืองปูดขึ้นบนท้องแขนของท่าน ตามคือตามที่ระบุเอาไว้จริงๆนะคะตรงจุดตรงตำแหน่งที่ท่านระบุเอาไว้เป๊ะเลยขณะเดียวกันฝีของพี่สาวของท่านที่ชื่ออูมาก็เกิดใหญ่ขึ้นสองเท่าอย่างที่ท่านพูดเอาไว้จริงๆพี่สาวของท่านกรีดร้องเสียงดังลัน่ขนขณะวิ่งไปหาแม่มุคุนดากลายเป็นพ่อมดหมอผีไปแล้ว แม่ตำหนิและสั่งห้ามเป็นอันขาดไม่ให้ทันโยคานันทาใช้วาจาสิทธิทร้ายใครอีกซึ่งท่านก็จดจำคำสอนของแม่และปฏิบัติตามเรื่อยมาส่วนฝีนั้นท่านก็ต้องไปพาออกจนกระทั่งทุกวันนี้ในขณะที่เล่าเรื่องบนท้องแขนขวาของท่านก็ยังมีรอยแผลเป็นจากคมมีดหมอเหลือไว้ให้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจ ให้นึกถึงพลังอำนาจอันเกิดจากคำพูดล้วนๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับชีวิตโยคีตอนที่สองของท่านประมะหังษาโยคานันทะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ กลับมาฟังกันต่อนะคะกับชีวิตโยคีจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีท่านประมะหังษาโยคานันทะเขียนค่ะทันโยคานันทะหรือที่ตอนเด็กๆท่านชื่อว่ามุกุลดานะคะ ท่านบอกว่าถ้อยคําที่ท่านพูดกับพี่สาวของท่านแม้ว่าจะเป็นคําพูดธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่เมื่อเอ่ยออกไปด้วยสมาธิจิตอันแน่วแน่คาพูดนั้นก็ย่อมมีพลังแฝงเร้งรุนแรงราบรเบิดทําให้เกิดผลไกลเป็นจริงได้แม้ว่าจะในทางร้ายก็ตามท่านเข้าใจในภายหลังว่าพลังสั่นสะเทือนแห่งคลื่นเสียงนี้ ถ้าเรารู้จักนำมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรก็จะช่วยเหลือหลายคนให้พ้นจากความทุกข์ยากได้โดยไม่ก่อให้เกิดบาดแผลหรือคำตำหนิติเตียนใดๆแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะคะที่จนเล่าถึงความมหัศจรรย์ า ก, การที่ท่านนับถือพระแม่อุมาคือตอนที่ครอบครัวของท่านย้ายมาอยู่ที่เมืองลาฮอร์ในแคว้นปัญจับท่านได้ภาพาพระโลกมาตาในภาค พ, พระแม่พระแม่กาลีมาภาพหนึ่งพระแม่กาลีเป็นหนอีกหนึ่งภาคนะคะเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมา ทันโยคานันทะอัญเชิญภาพของพระแม่อุมาในภาคของพระแม่กาลีเนี่ยไว้บนหิ้งบูชาเล็กๆตรงระเบียงบ้านถึงแม้ว่าไม่ใช่หิ้งบูชาหลักแต่ภาพของพระแม่ก็ทำให้หิ้งดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกโขละค่ะทันโยคานันทะก็เชื่อมัน่นศรัทธาว่าการสวดอ้อนวอนต่อพระแม่หน้าหิ้งบูชาจะทรงประทานทุกสิ่งให้ท่าน ตามคำขอทีนี้วันหนึ่งขณะยืนอยู่บนระเบียงบ้านกับพี่สาวที่ชื่อพี่อุมาทันโยคานันทะก็เฝ้ามองว่าวสองตัวที่กําลังลอยลมอยู่เหนือหลังคาบ้านสองหลังซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านโดยมีตรอกแคบๆขวางอยู่ตรงกลางเจ้าของว่าวเนี่ยเป็นเด็กชายสองคนทางเบื้องล่าง ทีนี้พี่สาวของท่านก็แซวท่านบอกว่าทําไมถึงเอาแต่นิเงียบท่านก็บอกว่าผมกําลังคิดว่ามันช่างดีเสียจริงๆที่ผมขอทุกอย่างจากพระแม่ได้พี่สาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นพระแม่ก็คงจะประทานว่าวสองตัวนั่นให้เธอด้วยสินะแล้วทําไมจะไม่ได้ล่ะ ท่านก็เริ่มสวดขอเว้าวสองตัวนั้นในใจการเล่นเว่าวในอินเดียจะมีการใช้กาวทาสายป่านแล้วก็นําไปคลุกกับเศษแก้วป่นก่อนนํามาแข่งกันก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่นะคะคือแต่ละฝ่ายก็จะพยายามชักเว่าวไปเกี่ยวตัดสายป่านของฝ่ายตรงข้ามว้าใครถูกตัดขาดก็ถือว่าแพ้ใช่ไหมคะ ตอนนั้นท่านโยคานันทะกับพี่สาวยืนอยู่ในช่องระเบียงซึ่งมีหลังคาคลุมอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าวจะลอยมาให้คว้าเก็บเอาไว้ได้เพราะว่าสายป่านน่าจะห้อยระอยู่เหนือหลังคามากกว่าคือท่านไม่ได้อยู่บนหลังคาแต่อยู่อยูอ่ในช่องระเบียงทีนี้คู่เล่นทั้งสองฝ่ายที่ตรอกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เริ่มการแข่งขัน พยายามที่จะเอาสายป่านของตัวเองเนี่ยเฉือนว่าของอีกฝ่ายให้ได้ว่าของฝ่ายหนึ่งถูกอีกฝ่ายเกี่ยวตัดสายปานขาดแล้วก็ลอยละลิ้วตรงมาทางที่ท่านโยคันันทะยืนอยู่ทันทีแล้วจู่ๆคะ่ะลมก็เกิดเปลี่ยนทิศทำให้ว่าวตัวนั้นลอยค้างอยู่กลางอากาศอยู่ครู่หนึ่งและวูบนั้นเอง ที่สายป่านว่าไปเกี่ยวเข้ากับน้มต้นตะบองเพชรบนหลังคาบ้านฝั่งตรงข้ามก็ทำให้ตัวว่าหมุนคว้างเป็นวงแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาให้ท่นโยคานันทะคว้าจับเอาไว้ได้พอดีท่านก็ยื่นว่าวตัวนั้นส่งให้กับพี่สาวพี่สาวท่านก็บอกว่าก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญสุดขีด ใช่ว่าเพราะแม่จะประทานว่าให้ตามคำขอของเธอเสียเมื่อไรแต่ถ้าเธอได้ว่าอีกตัวมาสิพี่ถึงจะเชื่อจากนั้นทันโยคานันทะก็หันกลับมาคล่ำเคร่งสวดภาวนาต่อแรงกระตุกอย่างแรงจากฝ่ายหนึ่งทำให้ว่าของฝ่ายตรงข้ามขาดลอยคว้างตามสายลมตรงมาทางท่านแล้วว่าวเนี่ยก็ถูกต้นตะบองเพชร เกี่ยวขาดเอาไว้อีกครั้งค่ะแล้วเว้าก็หมุนคว้างเป็นวงกลมให้ท่านโยคานันทะคว้าเอาไว้ได้อีกหนึ่งตัวท่านก็ส่งเว้าตัวที่สองให้กับพี่สาวคราวนี้พี่สาวเชื่อแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจริงด้วยพระโลกกมาตาทรงรับฟังคําขอของเธอแต่มันน่าขนลุกเกินไปสําหรับพี่ว่าแล้วพี่สาวของท่าน ก็พระหนีไปเหมือนลูกกวางที่ตื่นตระหนกนี่คือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของท่านโยคานันทะซึ่งดิฉันคิดว่าคงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้อย่างนี้นะคะท่านต้องเป็นบุคคลที่พิเศษอย่างยิ่งอํานาจพลังจิตของท่านนี่คงจะมีพลังอย่างแรงกล้านะคะ ถ้าเราเชื่อในเรื่องของพลังจิตพลังจิตทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดปัญหาอยู่ที่ว่าพลังจิตของเราไม่ได้มากถึงขัานนั้นเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรมหัศจรรย์เหมือนอย่างคนที่มีพลังจิตแรงกล้าเหมือนอย่างกรณีของท่านโยคานันทะสมัยเด็กๆที่ <c oughs> เพียงแค่สมัยนั้นเนี่ย ท่านก็สามารถทําในสิ่งที่มหัศจรรย์ได้หลายอย่างแล้วนะคะความปรารถนาสูงสุดของแม่ของท่านเนี่ยคือการได้เห็นพี่ชายคนโตแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา ตอนที่ท่านโยคานันทะอายุได้11ปีค่ะพี่ชายคนโตของท่านก็เข้าสู่พิธีมั่นหมายแม่ของท่านโยคานันทะมีความสุขมากในการตระเตรียมงานแต่งนะคะพ่อกับท่านโยคานันทะก็อยู่ที่บ้านในเมืองบารเรอรี่ทางตอนเหนือของอินเดีย เพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยถูกย้ายมาหลังประจําอยู่ที่ละฮอได้สองปีคือพ่อของท่านนี่จะย้ายไปเรื่อยๆแล้วแต่บริษัทจะส่งไปที่ไหนท่านโยคานันทาก็บอกว่าท่านจ้เข้าร่วมพิธีแต่งงานที่สวยงามของพี่สาวทั้งสองก็คือพี่โรมากับพี่อูมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ย พี่สาวสองคนแต่งงานแต่พอมางานแต่งของพี่ชายคืออนันตะซึ่งเป็นลูกชายคนโตของบ้านรายละเอียดการเตรียมงานมีความประณีตพิถีพิถันยิ่งขึ้นเพราะว่าคนอินเดียก็ให้ความสำคัญกับลูกชายแม่ของท่านคอยต้อนรับ บรรดาญาติมิตรจากเมืองไกลที่ทยอยเดินทางมาถึงกัละกะตาตัวเป็นเกลียวคือวุ่นวายกับการต้อนรับแขกท่านก็จัดบ้านที่ใหญ่โตโอโถงพอดูสำหรับงานแต่งจัดเตรียมอาหารเลิศรสสำหรับจัดเลี้ยงแขกเกลือมีเสลียงหลังงามที่จะให้ลูกชายนั่งไปรับว่าที่เจ้าสาวมีไฟประดับหลากสี มีขบวนช้างแล้วก็อูดที่ทำขึ้นจากกระดาษแข็งมีวงดนตรีอังกฤษวงปีสกอตพวงโมโหรีอินเดียมีนักสแสดงมืออาชีพแล้วก็เหล่าพรมามนาจาร์ที่จะมาประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมโบราณให้คุณผู้ฟังคงจะเคยเห็นนะคะว่าคนอินเดียเวลาที่เขาแต่งงานกันแต่ละทีเนะี่ยยิ่งใหญ่โมโหรานมากถือเป็นงานสาคัญในชีวิต ไม่ได้ทํากันเล็กๆฉลองกันหลายวันเป็นอาทิตย์อทิตย์เลยทีเดียวพ่อของท่านโยคานันทะกับตัวท่านโยคานันทะเองเนี่ยก็มีความสุขกับการเตรียมงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมพิธีแต่งให้ทันเวลาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแต่เมื่อวันงานใกล้เข้ามา ท่านกลับได้นิมิตบอกถึงเขาลางที่เลวร้ายขณะที่ท่านหลับอยู่ข้างกายของพ่อบนระเบียงบ้านผักข้าพเจ้าตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงมุ้งที่คลุมอยู่เหนือเตียงสายแปลกๆพอประตูมุ้งถูกแหวกออกข้าพเจ้าก็มองเห็นร่างของแม่ผู้เป็นที่รัก พ่อของเจ้าจับรถไฟขบวนแรกตอนตีสีพรุ่งนี้เช้ารีบมากนละกาตาถ้าลูกอยากพบหน้าแม่แล้วร่างอันเหมือนเจตพูดนั้นก็จางหายไปพ่อครับพ่อแม่กำลังจะตายท่านรีบปลุกพ่อ ร้องไห้แล้วก็เล่าข่าวร้ายให้พ่อฟังบอกว่าจูจูก็เห็นแม่บอกว่าให้รีบจับรถไฟไปหาท่านที่กาลากตตามันก็แค่ภาพหลอนเท่านั้นน่าแม่ของลูกมีสุขภาพแข็งแรงดีถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเราค่อยไปกาลากตตากันวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ คือพ่อของท่านก็ปฏิเสธเอาไว้ก่อนไม่เชื่อแต่ท่านโยคา น, านันธาบอกว่าพ่อจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยที่ไม่เตรียมตัวออกเดินทางตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วผมก็จะไม่ยกโทษให้พ่อเหมือนกันท่านโยคา น, านันธาตอนนั้นนะคะก็พูดใส่พูดใส่พ่อด้วยความขุ่นเคืองปรากฏว่า เช้าวันนั้นค่ะมีโทรเลขมาบอกว่าแม่ป่วยหนักเลื่อนงานแต่งให้รีบมาด่วนท่านอยู่คนาันทากับพ่อก็ออกเดินทางด้วยจิตใจที่ว้าวุ่นเป็นกังวลลุงคนหนึ่งมาดักพบระหว่างทางตอนเปลี่ยนขบวนรถขณะที่รถไฟกำลังวิ่งตะบึงด้วยเสียงอันดังกึกก้อง ท่านโยคานันทาบอกว่าใจของท่านนี่ร้อนรนจนนึกอยากจะกระโดดลงไปขวางอยู่กลาง อ, อ, อยู่กลางรางรถไฟตอนนั้นท่านรู้สึกเหมือนได้สูญเสียแม่ไปเรียบร้อยแล้ว โลกทั้งโลกช่างเวงวางว่างเปล่าสุดที่จะทนทานได้ข้าพเจ้ารักแม่เสมือนแม่เป็นมิตรรักสนิทยิ่งกว่าผู้ใดในโลกดวงตาดำครับของท่านเป็นสิ่งปลอบขวัญและเป็นที่พึ่งพิงทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีเรื่องให้ขุนข้องมองใจในวัยเด็กแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับลุงนั่นเป็นคำถามสุดท้าย ที่ข้าพเจ้าหยุดถามลุงลุงที่มาดักพบระหว่างทางแค่มองปราดเดียวลุงก็อ่านความสิ้นหวังในสีหน้าข้าพเจ้าออกลุงตอบว่ายังอยู่สิแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อลุงสักนิดเมื่อกลับมาถึงบ้านที่กาลากตตาสิ่งที่รอพวกเราอยู่คือปริศนาแห่งความตายอันน่าชงน ข้าพเจ้าล้มพับไปเหมือนคนใกล้าตายกว่าจะทำใจได้ก็ต้องใช้เวลานานหลายปีญาติคนหนึ่งของท่านโยคานันทเพึ่งจะเดินทางกลับจากการไปรเยือนเทือกเขาฮิมาลัย แล้วก็ได้แวะเยี่ยมครอบครัวของท่านโยคานันทะแล้วก็เล่าถึงภูเขาฮิมาลัยในฐานะของคุณเขาอันเป็นที่พำนักของบรรดายโยคีและสวามีสวามีเป็นคำศัพท์ภาษาสันสกฤตโดยรากศัพท์หมายถึงบุคคลผู้เป็นหนึ่งเดียวกับบิญ ญ, ญาณแห่งตน ทานโยคานันทะสนใจมากฟังเรื่องราวอย่างใจจดใจจ่อเรานี้ไปฮิมาลัยกันเถอะวันหนึ่งเขาไปเจ้าออกปากชวนทวารกะปราสาสลูกชายตัวน้อยของเจ้าของบ้านที่เราเช่าในบาเลลีแต่เขาไม่แยแสสักนิดสําร้ายางเอาแผนการนี้ไปเล่าให้พี่อนันตะ ที่แวะมาหาพ่อฟังซะอีกแทนที่จะนึกเอ็นดูความคิดฝันแบบเด็กๆพีอนันตะกลับหยิบเอาเรื่องนี้มาล้อเข้าไปเจ้าเสียเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านโยคานันทะมีความฝันไม่เหมือนกับเด็กอื่นโดยทั่วไป ท่านมีความฝันว่าท่านอยากจะเป็นนักบวชแล้วก็เที่ยวจาริกไปทั่วอินเดียและท่านก็รู้แน่แก่ใจลึกๆว่าสักวันท่านจะต้องสวมใส่อาภรณ์ของนักบวชในสำนักอันเก่าแก่มาแต่ครั้งโบราณ แล้วก็บ่ายวันหนึ่งท่านก็หนีออกจากบ้านมุ่งไปทางเมืองที่ชื่อว่าไนนิตันตรงเชิงเขาหิมาลายพี่อนันตะพี่ชายคนโตของท่านก็ไล่าตามไปแล้วก็จับตัวท่านกลับมาที่บาเรรี่นับจากนั้น ทานโยคานันทะก็ได้รับอนุญาตให้ออกมาสแสวงบุญได้ไกลสุดแค่ที่ต้นชิโอลีซึ่งเป็นกิจวัตรที่ท่านทำเป็นปกติอยู่แล้วในยามเช้าตรู่คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าตั้งแต่ยาววัยเลยทีเดียวนะคะแต่ถูก ตามจับกลับมาซะก่อนหลังจากนั้นครอบครัวก็ต้องคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเกรงว่าจะหนีออกไปจากบ้านอีกหลังการตายของแม่พ่อไม่ยอมแต่งงานใหม่เลยตลอดเกือบ40ปีของชีวิตที่เหลืออยู่พ่อต้องทาหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกๆพ่ออ่อนโยนมากขึ้น เข้าหาได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวท่านจะรับมือกับปัญหานั้นด้วยความสุขุมเยือกเย็นและด้วยสายตาอันยาวไกลหลังกลับจากทำงานพอจะเก็บตัวอยู่ในห้องเอาแต่ปฏิบัติกิริยาโยคะด้วยจิตใจที่สงบนิ่งหลายปีหลังจากที่แม่จากไป ธนโยคานันท์ในฐานะลูกตั้งใจจะว่าจ้างพยาบาลชาวอังกฤษให้มาช่วยดูแลพ่อในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้พ่อได้สบายบ้างแต่พ่อก็ไม่ยอมพ่อปฏิเสธสิ้นแม่ของลูกแล้วการปรนิบัติทั้งหลายก็สิ้นสุดลงด้วยพ่อจะไม่ยอมรับการดูแลจากผู้หญิงคนไหนอีกแววตาของพ่อ มือลอยไปกับความรักความหลังหลังแม่จากไป14เดือนท่านโยคานันทะถึงได้รู้ว่าแม่เนี่ยทิ้งจดหมายสั่งเสียเอาไว้ให้ตอนนั้นอนันตะลูกชายคนโตเฝ้าอยู่ข้างกายแม่แล้วก็เป็นคนจดบันทึกถ้อยคำของแม่เอาไว้ แม่สั่งให้พี่เอาจดหมายให้ข้าพเจ้าในอีกหนึ่งปีให้หลังแต่พี่อนันตตักลับยืดเวลาออกไปนานกว่านั้นถึงตอนนี้พี่จะต้องออกจากบ้านไปกละลการตาเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวที่แม่เลือกเอาไว้ให้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือในอินเดียจะมีประเพณีที่พ่อแม่จะเป็นคนเลือกคู่ให้กับลูก ประเพณีดังกล่าวยังเป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วคู่สามีภรรยาชาวอินเดียก็มีชีวิตคู่ที่เป็นสุขในอัตราที่สูงมากอันนี้จากเชิงอัดในหนังสือค่ะ <Okay. S 1> เย็นวันหนึ่งพี่ <Okay. S 1> จึงเรียกข้าพเจ้าไปนั่งข้างๆมุกุนดะพี่หลีเกลี่ยงไม่ยอมบอกเรื่องเหตุการณ์อันประหลาดนี้กับเธอมาโดยตลอดพี่กลัวว่ามันจะไปกระตุ้นให้เธอคิดจะทิ้งบ้านไปอีกแต่เธอก็ยังมีใจจดจ่อแน่วแน่ในพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดีเมื่อเธอไปหิมาลัยคราวก่อนแล้วพี่ตามไปเอาตัวเธอกลับมา ตอนนั้นพี่ก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่สีทีพี่อนันตะยื่นกล่องเล็กๆ ก, กับจดหมายสั่งเสียของแม่ส่งให้ข้าพเจ้าแม่ของท่านเขียนจดหมายสั่งเสียท่านเอาไว้ว่าอย่างไรอยากชวนให้คุณได้ฟังในตอนหน้านะคะ กับตอนที่3ของเรื่องชีวิตโยคีจากหนังสืออาตาชีวประวัติของโยคีเขียนโดยท่านปรามาหังสายโยคานันทะโยคีผู้มีชื่อเสียงที่เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ